ค่ะคุณข<ม>าเค<ะ>่ดราคอนพ่นไฟฟื้นอันนี้มันก็แบบมีบางตัวพ่นไฟไม่ได้บางตัวก็พ่นไฟได้เอาเหรอก็ <c oughs> มีหลายเผ่าพันธุ์ใช่นะก็เป็นการ์ตูนนะ How to Train Your Dragon นะอะพี่นิหารไวกิ้งพี่ชิดมังกรนี่ก็เป็นแบบ ภาคจบเขาว่า oh. เป็นแบบทรโลจีมีสามภาคเลยแล้วก็เป็นภาคจบอะไรเงี้ยนะก็แบบมีคนหลายคนก็แบอบกโอ๊ยกระตูนอะไรมีตั้งสามภาคก็ยังมีคนดูก็ยังมีคนตามมาดูอะไรอย่างนี้นะก็อ่ะ จริงๆก็แน่นอนนะการไปดูการ์ตูนเนี่ยก็เพื่อความมันเถอะลูกชายล้วนถามออให้ดิฉันไปดูเนี่ยก็คงแบ บ, บขอคิดดูก่อนก็เกือบจะหลับประมาณกลางๆเรื่องนะเพราะว่าก็เห็นหลายหลายคนรีวิวเหมือนกันว่าจะมีความเหนื่อยเล็กน้อยแต่ก็โอเคนะออออพอหันไปดูลูกชายลูกชายก็ยังคงแบบตั้งใ จ, จงกินข้าวครัว <ๆ S 1> ตั้งแต่รู้จักลูกชายมาเนี่ย เออแต่รู้จักลูกมาลูกยังไม่เคยหลับในโรงภาพยนตร์เลยเก่งมากนะหรอือก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะหนังเขาดีหรือไม่แต่หรื ว, ว่าเด็กๆนี่นมันเด็เด็กๆอะตื่นแค่เห็นภาพ สวยๆเคลิ้มไหวแล้วก็ว่าเขาก็น่าจะตื่นตาตื่นใจหรือว่ามีเข้อพิดคั่วอยู่ในอ้อมกอดก็อัคน์ด้วยมีอยู่หนึ่งหนึ่งห่อแล้วก็กินไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยก็เพลินๆไปก็ความสุขแต่พระสุขเขาก็ประกาศแล้วว่ามาไปดูหนังสารคดีเขกเขาขอก่อนเพราะแบบพูดทั้งเรื่องเลยอะไรเงี้ยเขาแบบเขาก็ไม่ไหวไงคุณจะโหดไปกับลูกหรือเปล่าเนี้ยพาลูกไปดูสารคดีเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าเป็นสารคดีแบบเขาขอก่อนนะแบบออาจจะยังไม่ถึงวัยนะก็อ่ะไปดูการตุนไปแล้วพาไปเนี่ยซึ่งดูจบแล้วถูกลูกปนามอีกด้วยซ้ํานะเพราะว่าถามลูกตลอดเลยว้ยคนนี้มาจากไหนคนนั้นมายังไรเพราะว่าจําภาคหนึ่งกับภาคสองไม่ได้แล้วพอไปสูตรแล้วเขาก็ดูมาทั้งสองภาคอ่ะดิฉันก็จำไม่ได้ว่าพาไปดูที่โรงหรือว่าเปิดเปิดหนังเปิดเปิดเน็ fli ิกให้ดูนะมันเหมือนโมโนย9ก้าก็เคยใช้อะไรประมาณนี้แหละนะซึ่งลูกเนี่ยเขาก็ พอรู้จักเรื่องราวตัวละครนะแล้วเขาก็จําได้ก็คือก็มาเชื่อมโยงถึงภาคสุดท้ายนะเพราะว่าเป็นเรื่องราวของหนุ่มหนุ่มน้อยไวยกิ้งนะที่ชื่อว่าฮิกคาร์ทที่เป็นตัวชูโรงของเรานะที่เขาบอกว่าเป็นแบบเออเป็นผู้อาศัยอยู่บนเกาะเบิร์กเกาะเบิร์กนี่ก็เป็นเกาะที่แบบว่าเออเป็นที่ชุมชนของไวกิ้งเนี่ยเขามาอยู่กันนะแล้วก็มีการาสู้รปบปมือกับมังกรมา นะจนกระทั่งพามังกรเหมือนกับตอนแรกก็เหมือนอาจจะแบบมีมีการสู้รบกันอยู่นะจนหลังๆนี้ก็คือพามังกรเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ตัวหนุ่มน้อยคิคารับเองเนี่ยนะคะก็เป็นในในหนังทั้งสองสองตอนเนี่ยก็จะพยายา ม, มนะเหมือนกับฉายให้เห็นว่าเป็นอาจจะเป็นหนุ่มน้อยที่ไม่ได้มีไม่ได้เพอร์เฟคไม่ได้เป็นหนุ่มสมบูรณ์แบบนะแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องมาเป็นผู้นําของเอ ชาวไวกิ้งนี้นะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีคุณพ่อเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผู้นํามาก่อนนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับทุกคนก็คาดหวังกันเนาะว่าจะต้องมารับหน้าที่เป็นผู้นํานะซึ่งตัวเองนั้นก็แบบไม่ได้มีความมั่นใจเลยนะซึ่งหนังเนี่ยก็โป้มาตั้งแต่ภาคแรกนะที่แบบว่าอาจจะแบบไม่ได้มีความเกรงกล้าสามารถรวมทั้งตัวเองนั้นก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้เป็นมนุษย์แบบสมบูรณ์เพราะว่าขาหายไปเป็นขาปลอม อาวหรออ่าใช่นะแล้วก็มาเจอกับมังกรตัวเอกของเราที่ชื่อว่าอาดูซีลืมนั่นน่ะจะคนจะหลับเคี้ยกุดน้องเคี้ยกุดของเรานะก็คือเขาบอกว่าเป็นมังกรเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่าชื่อว่านายเฟอร์รี่นะแบบเป็นมังกรที่ไม่มีเคี้ยกุดไม่มีไม่ไม่ไม่ได้ขนปกปุยนะแต่ว่าเหมือนกับจริงๆแล้วพันธุ์นี้จะต้องดุร้ายนะแต่แบบ ตัวเองไม่ได้ดุร้ายอ่ะเป็นมังกรที่แบบไม่ได้ดุร้ายสมพันธุ์เป็นพวกแตกแย่พันพวกมีดแตกอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยก็เลยมามาพบปะการ์ดแล้วก็มีการฝึกนะจากภาคที่หนึ่งภาะที่สอนจกกนกระทั่งคือพูดง่ายๆก็เป็นมังกรคู่ใจที่แบบสบตาก็รู้ใจอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีการแบบสื่อสารกันผ่านแบบผ่าน อวัจนภาษาเหรอก็คือผ่านผ่านภาษาท่าท่าผ่านลูกตาอะไรอย่างนี้มองปุ๊บเพราะมังกรตกอังปั๊บเพราะว่ามังกรก็พูดไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือก็คืออ่าเป็นมังกรคู่ใจแล้วก็มีการเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรตัวเคี่ยวปุดหรือว่ามังกรเนี่ยนะในภาคแรกๆเนี่ยก็เป็นมังกรที่มีปมด้อยนะกลัวมนุษย์นั่นน่นนี่นะแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็สามารถที่จะแบบก้าวข้ามผ่านอุปสรรคสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าก็มีความสามารถอะไรอย่างนี้นะก็เลยกลายเป็นเพื่อนกลายเป็นมังกรคู่ใจกันนะคู่กับฮิกับนะที่เป็นที่เป็นจ่าฝูงมังกรนะนี่ก็เป็นภาคหนึ่งภาคสจะกระทั่งมาถึงภาคสุดท้ายนะที่แบบอ้าดูเหมือนจะแบบ สงบสุกแล้วนะมีการแบบมังกรกับมนุษย์อยู่ร่วมกันแต่ปรากฏว่าก็ยังมีเผ่าพันธุ์มนุษย์เผ่าพันธุ์อื่นที่พยายามจะเขาเลยฆ่าล้างมังกรเ อ, เอาป้าพยายามที่จะแบบตามล่าหามังกรที่ไปแบบจะพยายามฆ่าล้างกาันอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเรื่องราวก็ดําเนินไปนะแต่ว่าเรื่องอภา ค, นนะภาคเนี้ยนะภาคเดอะฮิดเดนเวิลด์เนี่ยเป็นภาคที่เป็นภาคจบละแล้วก็เอ ที่ที่ฉันดูแล้วสุดประทับใจก็คือมันเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมังกรอจริงๆแล้วมันก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์ที่มนุษย์เขาเรียกว่าอะไรอะเช็กอินฟอร์แกรมเที่แบบคิดว่าเราเป็นเจ้าของเขาได้เราครอบครอบครองเขาอาจะคิดว่าเราเป็นเจ้าของอะไรแบบนั้นซึ่งซึ่งในในเรื่องก็เหมือนกับว่าอะมนุษย์เองก็ต้องพึ่งพามังกรที่จะต้องแบบเดินทไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย ถึงเวลาที่จะปล่อยมังกรไปแล้วหรื อ, อยังประมาณนี้นะที่ที่จะปล่อยให้เขาไปอยู่ใน Hidden World ที่เข้าไปอยู่ไปอยู่กันเองอะอไปอยู่แบบ <c oughs> เป็นสัตว์เป็นมังกรแบบที่<า>ไม่มีใครค<า>รอบครองในป่าในป่าแล้วก็ในเพราะฉะนั้นในในภาคเนี้ยก็เลยมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมังกรกับมังกรก็คือน้องออเคี่ยวกุฏเนี่ยก็ไปพบรัก ก็ง่ายๆนะในขณะเดียวกันคนของเราเองที่เป็นมนุษย์เนี่ยฮิกซับเนี่ยก็เริ่มสร้างความสัมพันธ์กับหญิงสาวที่อยู่แล้วแต่มันเป็นกระตูนคัมมิ่งออคเอหรือเปล่าจ๊ะเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ใช่มันมีการเปลี่ยนผ่านจูวัยหนุ่มสาวมีแฟนอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามังกรก็มีแฟนนะแล้วก็ฉากที่ฉากที่รู้สึกน่ารักก็คือว่าเป็นการจีบกันระหว่างมังกรกับมังกรนั่นไง เมื่อก่อนเคี้ยวกุดของเราก็มีการแบบจีบสาวสาวของเราก็เป็นแบบเป็นเคี่ยวกุดมันเขาเรียกว่าอะไรเป็นไนท์เฟอร์รี่เหมือนกันแต่ว่าเป็นสีขาวอ่าเป็นตัวเมียที่แบบมีความน่ารักแล้วก็มีการแบบแอะแอะจีบกันอะไรอย่าดูแล้วก็แบบเออนี่เรามาถึงยุคที่เราจะมาดูอ่าสั่นจีบกันแล้วมาสั่นในเทมป์ยามอะไรแบบนี้แล้วมันก็น่ารักดีเพราะมันก็เหมือนึกถึงเดอะราลคิงอะไรเนี่ย อ่าพอทังเรื่องนนอ่าใช่ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ก, ก็ลองไปดูไปดูได้นะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นการภาคของการแสดงความรักน่ะแล้วเหมือนอย่างที่บอกก็คือระหว่างมนุษย์กับมังกรเนีเป็นภาคที่เอทิกกับเนี่ยจะต้องเหมือนกับปล่อยอมังกรที่ตัวที่สัตว์เลี้ยงที่ตัวเองรัก เขาไปเติบโตอาให้เขาไปอยู่ในโลกที่เขาคนก็ต้องเปิดจริงๆใช่ไหมใช่สิแต่เป็นความรักเขาแบบไปสู่อิสระภาพเหมือนเราเลี้ยงลูกมาเนี้ยพอสูพอโตเป็นหนุ่มคุณก็จะปล่อยให้เขาไปสู่โลกเจอโลกเขาบอกว่าเขาบอกอ่านในรีวิวนะเขาบอกว่าเป็นภาคจบบริบูรณ์ที่แบบสวยงาม จบลงในการค้นพบสัจธรรมศัจธรรมของชีวิตอะไรแบบนี้นะก็บอกว่าเป็นอนิเมชันที่คุณพ่อแม่ควรพาลูกไปดูแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันอาจจะแบบเป็นการสอนลูกให้ก้าวข้ามความกลัวในการที่จะทำสิ่งที่เขาเรียกอะไรกล้าหานะอะไรแบบนี้แต่คุณแม่ไม่ควรหลับแต่แต่ตอนจบดิฉันก็แบบมีน้ําตาคลอนนะเพราะแบบว่าเขาต้องลาจากกันระหว่างมังกรกับพิกักับกับมนุษย์ซึ่งแบบเออมันก็มีความแบบ พรสุซึงมะพระสุอินปะพระสุก็เหมือนที่บอกว่าถามว่าพระสุว่าเรื่องนี้กับสไปเดอร์แมนเจ้าเรื่องไหนดังไปทำไมเ<ใ>นะเพราะฉะนั้นก็เลยอ่ะถามว่าอินไหมก็น่าก็น่าจะอินอยู่แต่แต่เขาก็พอรู้เรื่องอยู่บ้าง <practise S 1> ว่าอาจจะตอนเดิมคราวที่แล้วนะอ่าเจ้าเคี้ยวกรดเนี่ยเหมือนกับหางพิการ หางที่จะต้องบินเนี่ยมันไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยเดีฉันก็อ้าวเหรอหางหายไปไหนหายไปสามโูกลูกก็แบบจิจะแม่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยอ่ะพอหนุ่มไวกิ้งของเรานีก็ซ่อมหางให้อะไรให้ก็คือดูแลบางกรเนื่องมาแบบอะไรอย่างงี้กันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องเล่าของความรักถ้าคุณผู้ฟังมีลูกเล็กเด็กแดงหรือว่ามีคู่รักอะไรอย่างเงี้ยแล้วจูไปดูก็ได้ดะไอ้จริง嘛 ก็น่ารักดีมันก็เป็นความรักที่แบบรักนี้มีแต่หรักมีแต่้ต้องไปดูหนังโหดๆจะได้กิจการวิวัยก็แล้วแต่อหแต่ละคนก็มีวิถีลีลาแตกต่างกันไปโอเคลีอะไรเช่นชอบภาพยนตร์แตกต่างกันนะอนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่รู้สึกว่าอ๋อดูแล้วมันก็น่ารักดีนะแล้วก็เป็นฉากจบละนะแล้วก็เอเห็นบอกว่าจริงๆแล้วมันมีเป็นแบบซีรีส์ด้วยนะคือเขาเอาหนังเนี่ยมาทําเป็นแบบ เคยดูในมูนิธละครอะไรอย่างนี้เป็นซีรีส์เป็นเรื่องย่อยๆเจ้ะหมาแล้วก็ชอบมากตรงที่เขาก็มีเขามีดิฉันไปค้นหาในฟันทิพย์นะเขามีแบบลักษณะของมังกรที่อยู่ในเรื่องเนี่ยแบบประเภทของมังกรแยกออกมาแบบอ๋อคือจัดหมวดหมู่จัดหมวดหมู่แบบมังกรที่แบบต่างๆใช่มีลักษณะยังไงบางตัวทํานั่นเนี่ยได้ทํานี่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเหมือนหมาไงอ่าเป็นแล้วก็ทุกตัวก็คืออยู่ในเรื่อง อ่า อ, อะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะที่แอบซ่อนอยู่ในหนังนะก็ลองดูละกันนะถ้าใครว่างนะสำหรับเรื่องอภินิหารไวกิ้งพิชิตบังกร <c oughs> มว น, <c oughs> นโรตีมอะไรดีอ่ะเดี๋ยวเราบ้าซื้อข้าวหมกไก่มาตั้งร้อก่อนก่อนเมื่อกี้ข้าวหมกไก่อร่อยดีแถวปรสนีกลาเดี๋ยวเราพากกันสะักครู่ค่ะ